กี่วันมันนี้ได้มีโอกาสอ่านสมุดบันทึกของท่านเจ้าพุท ธ, ธาทาสท่าเจ้าพุทธทานนี่เป็นคนที่ชอบบันทึกส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องข้อธรรมที่เกิดจากการอ่านหรือเกิดจากประสบการณ์รวมทั้งเกิดจากการคิดไตรตรองบางส่วนท่านกเา็เอาไปเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมที่ลานหินโค้ง แต่ก็จะนวนไม่น้อยท่านก็บันทึกเอาไว้เพื่อเป็นข้อคิดสำหรับการเผยแพร่ในโอกาสต่อๆไปท่านก็ไม่ได้คิดที่จะบันทึกเพื่อให้คนอื่นอ่านนะแต่ว่าพอท่านมารณาภาพนี้สมุดบันทึกที่ท่านบันทึกเอาไว้นี่ก็มีมากมายเหลือเกินซึ่งล้วนแต่ มีคุณค่าน่าอนุรักษ์เอาไว้หอจตุไมเหตุพุทธทาสนี่ก็ก็ทําหน้าที่นี่แหละนะอนุรักษ์เอกาสารต่างๆที่ท่านอา จ, จารย์พุทธทาสได้ได้เก็บเอาไว้รวมทั้งสูตรบันทึกที่ว่านี้ด้วยที่จริงไม่ใช่แต่เนื้อหาที่ท่านจดบันทึกมีความน่าสนใจเท่านั้นนะวัสดุที่ท่านใช้ในการบันทึกนี่ก็น่าสนใจเหมือนกัน เพราะว่าบ่งชี้ถึงทิสายของท่านนะคือเป็นคนที่ประหยัดมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอย่างเรียกว่าคุ้มค่าแม้แต่กระดาษแม้แต่กระดาษปฏิทินนะนะที่มันว่างอยู่หน้าหนึ่งเนี่ยคือข้างหลังนีท่านก็ไม่ปล่อยอเปล่า แานที่จะทิ้งท่านก็เอามาจดบันทึกรวมทั้งสมุดฉีกทั้งหลายทั้งปวงนีเน่เรียกว่าท่านใช้อย่างคุ้มค่ามากสมัยนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้แบบทิ้งทงข้ควางๆบางทีไม่ได้ใช้เลยนะก็ทิ้งซะละแต่ว่าถ้าจะาพุทธา น, นี่ท่านเก็บนะ เดี๋ยวล้วก็มาใช้ต่อกระดาษปฏิทินนะแต่ละหน้าแต่ละหน้าแต่ละวันแต่ละวันท่านก็ไม่ปล่อยให้สูญเปล่าก็เลยทำให้กลายเป็นวัสดุที่หรือเอกสารที่ล้ำค่าเพราะว่ามีลายมือของท่านที่จดจารความคิดที่ลึกซึ้งต่างๆ คดีสมุดเล่มหนึ่งเนี่ยที่ท่านที่ท่านบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่เนี่ยท่านก็บันทึกจากบันทึกลงในสมุดปฏิทินของธนาคารแห่งหนึ่งนะตอนที่เริ่มใช้ ATM ใหม่ๆนะเป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งหนั่หรือเมืองไทยก็ว่าได้ เ, เริ่มใช้เอทีมตู้ ATM ีเอ็ม เขาก็ทำหนังสือทำสมุดแจกลูกค้านะมาถึงมือของท่านจารวุทธาท่านก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทีเดียวใช้ประโยชน์ทางธรรมนะก็มีหน้านึงท่านบันทึกเอาไว้ให้ชื่อว่าชีวิตสมบูรณ์แบบชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นแนวนคิด ที่ท่านอนุโลมหรือปรับมาจากอาสมศีอาสมศีนี่ก็เป็นแนวคิดนะหนึ่งนะในศาสนาฮินดูท่านเห็นแนวคิดเกี่ยวกับอาสมศรีน่าสนใจท่านก็เลยมาปรับใช้เป็นชีวิตสมบูรณ์แบบในมุมมอ ง, องพุทธศาสนา เนสมศรีมันเป็นยังไงนะสมศรีนี่ก็คือการแบ่งชีวิตเป็นช่วงๆ ช, ชีวิตที่ถือว่าเป็นอุดมคติในศาสนาฮินดูเนี่ยก็จะแบ่งชีวิตออกมาเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะระยะแรกเรียกว่าพรหมจันทร์พรหมจันท์ก็หมายถึงว่าวัยหนุ่มวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้ครองเรือนก็เป็นวัยแห่งการศึกษาศึกษาทั้งในเรื่องของ ความรู้เพื่อประกอบอาชีพแล้วก็จนไปมาถึงศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอันนี้เรียกว่าพรหมจันยร์รวมทั้งเป็นวัยสลักเตรียมพร้อมสำหรับการมีครอบครัวและที่สองเนี่ยนะเเรียกว่าขลหัดนะอันนี้ก็ตรงกับ คฤๅษีในพุทธศาสนาคือเป็นชีวิตของผู้ครองเรือนก็คือมีการสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวมีลูกดูแลลูกประกอบอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวสะสมทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงเกติยจัตต์อันนี้เป็นช่วงของการครองเรือน เรียกว่าคลุหัดระยะที่สามเนี่ยเรียกว่าวันณปรัดนะวันปรัดเนี่ยถ้าพูดอย่างสมัยนี้คือไวกระเซียณก็คือว่าละทิ้งภารกิจทางโลกแล้วเริ่มจะละทิ้งภารกิจทางโลกนะแล้วก็ศึกษาธรรมะมีการปฏิบัติธรรม แล้วก็มาลงเอยนะระยะสุดท้ายเนี่ยเาเรียกว่าสัญญาณนะสัญญาณคือเป็นช่วงการละทิ้งโลกละทิ้งโลกในที่นีหมายคือว่าละทิ้งบ้านเรือเลยนะไปแสวงหาทางหลุดพ้นที่เรียกว่าโมกสักนึกภาพโยคีเนี่ยนะพวกโยคีศา ส, สนาเชนี่ก็ก็มีความคิดแบบนี้นะพอถึง ระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือวัยชาราหลังจากสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนร่ำรวย น, ยนก็ทิ้งหมดเลยนะศาสน า, าเชเนี่ยมันจะมีธรรมเนียมนะของคนที่พอมาถึงวัยชารานเนี่ยจะละทิ้งบ้านเรือนละทิ้งทรัพย์สมบัติมีเงินกี่กี่ล้านกี่ล้านนะสิบล้านร้อยล้านก็ทิ้งหมดนะเพราะว่า คนที่นับถือเชนเนี่ยบางคนนี่รวยมากเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะเพลเพว่าพอถึงวัยกเกษียณแล้วนี่ก็ทิ้งบ้านเรือนทิ้งครอบครัวทิ้งทรัพย์สมบัติมีการกเรียกว่าจัดงานเฉลิมฉลองเลยนะเป็นงานใหญ่เพื่อประกาศถึงการละทิ้งโลกแล้วพอชาวบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยนะ เป็นเหมือนกับพวกโยคีนั่นแนหะอยู่ได้ด้วยการพิกขาจารนะหรือว่าการบินทบาทการขออาหารจากผู้อื่นอันนี้ก็มันก็เป็นแนวคิดเดียวกับสัญญาณนะแนวคิดเดียวกับฮินดูที่พอถึงระยะสุดท้ายเรียกว่าสัญญาณก็บาเพ็ญตัวเป็นสัญญาสีลนะละทิ้งบ้านเรือนนะ เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นเป็นช่วงการหลีกหนีจากโลกท่าาจาพูดท่าต้องเเห็นว่าแนวคิดเรื่องอาสมสีเนี่ยก็น่าสนใจถ้าก็เลยมาปรับเป็นชีวิตนะที่พึงปรารถนาแบ่งก็เป็น4ช่วงนะช่วงแรกท่านใช้ค า, าว่าชีวิตศึกษาชีวิตศึกษาคื อ, อศึกษา เรื่องวิชาความรู้ศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็รวมทั้งมีเพิ่มเรื่องคือการฝึกจิตฝึกใจด้วยอันนี้ก็ถือเป็นการศึกษาอย่า ง, างไม่ใช่ศึกษาแต่เรื่องทางโลกเดียวนะมีการฝึกจิตควบคุมจิตและต่อมาท่านใช้ว่าชีวิตครองเรือนชีวิตครองเรือนก็คือมีครอบครัว บำเพ็ญตนเป็นบุตรเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีแสวงหาทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงเกติยศรวมทั้งการประกอบมีไมตรนะีกับผู้คนนะไปทั่วทิศเลยอันนี้ก็เลยเป็นช่วงของการเรียกว่าบำเพ็ญกิจทางโลกแล้วก็แสวงหาประโยชน์ทางโลก หรือประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยในพุทธศาสนามก็ได้แก่นะเรื่องทรัพย์เรื่องยศเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวมิตรภาพระยะที่3ามเนี่ยท่านเร่งใช้คาว่าชีวิตสงบพักผ่อนอก็คือกเกษียณนั่นแหล ะ, ะแล้วก็อาจจะพักอาจจะพักแบบคารวะหรือพักในเพศของนักบวชก็ได้ และสุดท้ายเนี่ยอันนี้ข้อสุดท้ายนี้สำคัญน ะ, ะที่น่าสังเกตก็คือว่าแทนที่จะเป็นแบบฮินดูคือทิ้งโลกนะไม่เกี่ยวข้องกับโลกแสงหาความหลุดพ้นแต่เพียงผูด้เดียวทราจารยพุทธาบอกว่าเนี่ยัยกที่สมันควรจะเป็นชีวิตแจกธรรม ะ, ะท่านก็อธิบายว่าเนี่ยได้ร่อนแจกของสองตะเกียงนะและเผยแผ่ธรรม ให้กับโลกอย่างทันสมัยคือแทนที่ท่านแทนที่จะทิ้งโลกนะหาความหลุดพ้นจากเพียงผู้เดียวก็กลับนะออกไปเกี่ยวข้องกับโลกไม่ใช่เพื่อแสวงหาชื่อเสียงแต่เพื่อเผยแผ่์ทรให้เป็นประโยชน์กับชาวโลกท่านช่วยแจากของสองตะเกียงอันนี้แตกต่างนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านเจา้าพุทธธาตหรือท่านเห็นว่าคนเราไม่ควรทิ้งโลก แม้จะอยู่ในใบชะลาแล้วแม้จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของดีแต่ก็ไม่ควรจะทิ้งโลกเมื่อปฏิบัติธรรมก็ควรจะเอาธรรมนั้นมาเผยแผ่แผให้กับชาวโลกเรื่องการไม่ทิ้งโลกนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเอกลักษณ์ของท่านจา้าพุทธะนะคือท่านะาเห็นว่าโลกกับธรรมนี่ไม่ควรแยกจับ ก, กัน การบำเพ็ญกิจทางโลกไม่ควรทิ้งทมและที่จริงการทำกิจทางโลกก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างที่ท่านพูดอยู่เสมอนะว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำงานนี่ไม่ใช่ทำงานทางธรรมนะแต่หมายถึงว่าทำงานทางโลกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินนะการสร้างบ้านสร้างเรือน ไม่ว่าทำกิจอะไรเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติทําได้แม้ว่าจะเป็นกิจทางโลก เ, เช่นการดูแลสุขภาพการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือว่าการเลี้ยงดูลูกหลานมันก็เป็นการปฏิบัติทําได้ทนี้เราพอเราฟังที่ท่านอ่านจากที่ท่านเขียนเนี่ยช่วยสมบูรณ์แบบออกที่ ที่แบ่งชีวิตออกมาเป็นสี่ระยะ4ระย ะ, ะ, ยะคล้ายๆกับหลักอาสมสีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายนะแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวของคนโดยพาะคารวาสแต่ถ้ามองให้ดีๆนะไอการแบ่งชีวตออกเป็นสี่ส่วนเนี่ยตามแนวตั้งเนี่ยนะอาจจะยังไม่พอนะ เพราะว่าถ้ามองจากมุมของท่านเจา้าพุทธทาเนี่ยท่านไม่ค่อยนิยมการแยกอะไรเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นการมองว่าชีวิตหนุ่มสาวเอาชีวิตศึกษาแยกออกมาจากชีวิตครองเรือนชีวิตครองเรือนแยกนะจากชีวิตสงบพักผ่อนหรือชีวิตสงบพักผ่อนนี้แยกจากชีวิตใจธรรมานี่มันอาจจะ ไม่เพียงพอนะสิ่งที่มันได้เป็นคือว่าชีวิตทั้งสี่สี่ประเภทเนี่ยมันควรจะกลมกลืนเข้าเป็นเรียกว่าบุรณาการเพราะว่าท่าจารย์ะท่านเนี่ยนะท่านมีจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วท่านไม่เคยชอบแยกอะไรเป็นส่วนๆอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ย โลกธรรมก็ไม่ควรแยกกันแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามนี่ท่านกลับหมองามันต้องเชื่อมโยงกันเช่นปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยทานอยาวุูท่านท่านเป็นตัวอย่างนะของการเชื่อมระหว่างปริยัติกับปฏิบัติในเรื่องปฏิบัตินี่ท่านก็แม่น แล้วก็ศึกษาเข้มข้นแต่เรื่องปฏิบัติท่านก็ไม่ทิงไม่เหมือนกับธรรมเนียมของพระนะตั้งแต่ไหนตาเลมาคือแยกปริยัติกับปฏิบัติออกจากกันปริยัติเป็นเรื่องของวัดบ้านนะปฏิบัติเป็นเรื่อ ง, องวัดป่าแต่ถ้าชาวพผู้ไทยท่านสลายขั้วเลยนะสวนโม่เนี่ยมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะเช่นเดียวกันนะ โลกีธรรมกับโลกุตระธรรมท่านกไม่แยกจากกันสิ่งที่เป็นโลกิีธรรมเนี่ยท่านก็เห็นว่ามันสามารถจะพาไปสู่โลกุตระธรรมได้เช่นเดียวกันนะเทรวาสนะกับมหายาเนี่ยท่านก็เห็นว่าไม่ควรแยกกันท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาคําสอนเกี่ยวกับเซนนะมาเชื่อมโยงกับคําสอนเกี่ยวกับเทรวาสได้อย่างกลมกลืนมาก ศาสนากับวิทยาศาสตร์ท่างก็เชื่อมโยงกันได้ดีนะถึงกัพุทว่าเนี่ยพุทธศาสนาก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งท่านเชื่อมประเพณีกับเทคโนโลยีนะท่ารู้เรื่องเทคโนโลยีมากมายแนละ้วก็มาเชื่อมกับเรื่องที่เป็นประเพณีหมดอย่างง่นี้เนี่ยในชีวิต4แบบเนี่ยนะจริงๆมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของชีวิตในแต่ละช่วงแต่ละวัย แต่มันควรจะประสานกลมเกลืนอยู่ในช่วงชีวิตของคนทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหมายความว่าแม้จะเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยนอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าศึกษาแต่เรื่องทางโลกแต่ยังศึกษาเรื่องทางธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรวมทั้งนะมีการไม่เพียงแต่ทากิจทางโลกหาประโยชน์ปัจจุบัน นะแต่ว่าควรจะมีการาปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยไม่ต้องรอให้ถึงวัยชลาไม่ต้องรอให้กเกษียณซะก่อนถึงค่อยมาปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งการฝึกจิตสงบใจนะก็ทำไดนะ้ในขณะที่ยังเป็นหมุ่เป็นสาวในขณะที่ยังคลองเรือนอยู่ก็คือวัยแครที่ทำกิจทางโลกก็มีเวลา เว้นวักพักผ่อนพักผ่อนนี่ด้วยการฝึกจิตสงบใจแล้วถ้ามีโอกาสก็เผยแผ่ธรรมไปพร้อมๆกันอันนี้มันน่าจะเป็นชีวิตที่สอยคล้องกันนะคือของท่าจากพุทธามากกว่าคือว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดเนี่ยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชรากิจทางโลกกิจทางธรรมก็ไม่เคยแยกจากกันกิจทางโลก หรือกิจภายในกิจภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ไม่ควรแยกจากกันทำไปด้วยกันไม่เวลาพูดถึงว่าชีวิตสีระยะยของท่านอาจารยุทธาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงไวัยก็ได้แต่เป็นมาถึงประเภทของกิจก็คือการศึกษาค้นคว้าหรือการศึกษาเรียนรู้อันนี้ก็หนึ่งสองการบาเพ็ญประโยชน์ทางโลกอันนี้สอง แล้วก็ 3. าการเข้าถึงความสงบในจิตใจนะเข้าถึงสาระในทางธรรมนี่ก็อันหนึ่งแล้วก็การเผยแผ่ธรรมซึ่งถ้าเกิดทำครบถ้วนนะไม่ว่าจะอยู่วัยใดเนี่ยมันก็จะเลือกว่าถึงพร้อมทั้งกิจภายนอกและกิจภายในแล้วถ้าดูไว้ดีเนี่ยมันก็จะได้นะเข้าถึงประโยชน์นะ ที่ท่าจากพุทธะท่านถือว่าเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ดีนะท่านเคยกล่าวว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคนเราที่ถ้าว่าทกิจทั้งสีประการเนี่ยได้ครบถ้วนนะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดนะมันก็มีโอกาสที่จะได้ถึงข้าวเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นนี่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตน ส่วนประโยชน์หมายถึงประโยชน์ที่มีต่อผู้อื่นพิธีดีเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยทั้งประโยชน์ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านเพียงแต่ว่ากิจบางอย่างอาจจะเป็นเน้นที่ประโยชน์ตนแต่กิจบางอย่างก็เป็นเน้นที่ประโยชน์ท่านเช่นการเผยแผ่ธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการบาเพ็ญประโยชน์ท่านันเป็นประโยชน์ส่วนรวม จริงแล้วเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยถ้าจะรอรอให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบเย็นในจิตใจในวัยเกษียณนะหรือว่าถ้าเป็นแบบฮินดูคือในวัยที่เรียกว่าวันปรัตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงป็นความประมาทนะเพราะคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่จนแก่หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าตอนหนุ่มตอนสาวหรือว่าตอนยังเป็นช่วงครองเรือนก็เอาแต่ทำมาหาเงินทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ถ้าไม่ใช้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมในการหาความสงบเงย็นใน จ, ใจิตใจหาแนวทางในการพ้นทุกเนี่ยพอถึงเวลาจะเข้าช่วงของการปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้เพราะว่าเกิดเจ็บป่วยสก่อน หรือเกิดตายซะก่อนคนเราเนี่ยช่วยไม่แน่นอนนะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแก่หรือเปล่าถ้าไปรอเข้าวัดตอนแก่ถ้าไปรอปฏิบัติธรรมตอนแก่นะอันนี้ก็ถือว่าประมาทนะให้เรื่องการปฏิบัติธรรมการพบความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยมันควรทำทันทีเมื่อมีโอกาสนะมันควรทำทันทีไม่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาว หรือว่าัยกลางคนเนี่ยก็ควรจะหาเวลาในการศึกษาธรรมเพื่อพบความสงบเย็นแต่เดียวกันก็ไม่ทิ้งการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเอนทำน้อ ย, ยดีเนี่ยชีวิตสมบูรณ์แบบที่ถ้าจารยพุทธานเนี่ยแยกออกมาเป็น4ี่ระยะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่4ระยะเท่านั้นมันเป็นกิจกรรมสประเภทนะที่คนเราาควรจะมีเป็นกิจกรรมสี่ประเภทที่คนเราควรจะทาเพียงแต่ว่า อาจจะเน้นหนักแต่งต่างกันในแต่ละวัยนะแต่ก็ไม่ควรจะทำแต่งานใดงานหนึ่งแล้วก็ทิ้งงานอื่นเพราะว่าแต่ละงานก็สำคัญถ้าทำห้ครบท้วนเนี่ยมันก็จะได้เข้าถึงช่วยที่ดีงามนะก็คือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถึงพร้อนท่องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่ยังสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็น มันเป็นหัวใจของชีวิตที่ดีงานในพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะมันสะท้อนให้เห็นจากพุะตัคุณนะพุตคุณเนี่ยจะมีสองอย่างที่สำคัญนะก็คือปัญญาและกุลนาปัญญาเนี่ยคือการเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึง้งนะถ้าเข้าถึงอย่างจำแจ้งเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมันถือมั่นได้ แล้วเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้คือความสงบสงบชนิดที่เรียกว่าพ้นจากกิเลสเลยทีเดียวอันนั้นคือนิพพานนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยสุขอื่นเนี่ยความสงบไม่มีแล้วความสงบที่ว่านีคือนิพพานนั่นเองนั่นปัญญาเนี่ยมันทําให้เข้าถึงความสงบเย็นพอความสงบเย็นเกิดขึ้นเพราะไม่มีกิเลสก็หมายความว่าความเห็นกับตัวเนี่ยมันไม่หลงเหลือแล้วไม่มีความพิถีในตัวตนก็เกิดกรุณา กรุณานี่ก็เป็นแรงผลักดันทําให้เกิดการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นดังนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยปัญญาและกรุณาปัญญาคุณและกรุณาคุณของผู้เจ้าเนี่ยมันก็คือสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั่นเองอยังเพราะใ น, นชีวิตที่ดีงามเนี่ยในทศชาติชาวพุทธเนี่ยมันก็ต้องพยายามเข้าถึงความสงบเย็นด้วยปัญญาแล้วก็บําเพ็ญประโยชน์ด้วยกรุณาอย่างเต็มที่ และถามว่าสามารถจะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรม4ประเภทเนี่ยอย่างที่ท่านยามุท่าท่านใช้คําว่าชีวิตาศาึกษาชีวิตครองเรือนชีวิตสงบพักผ่อนชีวิตแจกธรรมะเนี่ยถ้าทําได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันก็เข้าถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเข้าถึงความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะที่เข้าใจง่ายนะไม่ได้ไม่ได้ไไดยากอะไรเลยความคิดของเจ้าท่านยามุทธท่านเนี่ย คำสอนบางอย่างก็ลึกซึ้งเข้าใจยากแต่คำสอนบางอย่างก็เข้าใจง่ายแต่ว่าปฏิบัติได้แล้วก็เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธธรรมได้ด้วย